จิตเราเป็นแค่คนดูเ้วก็เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนานาชนิดที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าเจริญปัญญาดได้แล้วถ้าสมาธิเราพอถ้าจิตเราไม่ถึงฐานนะมีอันตรายมากเลยในขณะที่ทำวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเราต้องมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นกลางและมีสติไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของรูปนามกายใจถ้าเมื่อไหร่สมาธิเราไม่พอนะจิตมันจะเคลื่อนออกจากฐาน ไปรู้อะไรก็ไปจ่อเข้าไปตรงนั้นเลยนะตรงนี้เป็นความฟุ้งซ่านของจิตมีปั ส, สนุนปกิเลยมี1ิอย่างนะเริ่มต้นโดยโอภาษมีแสงสว่างสว่างว่างมีความสุขอยู่นั้นเนะมื่อในตรงที่จิตเข้าไปว่างว่างสว่างนะเรียกว่าธรรมมุททัตจะกฟุ้งในธรรมะชนิดที่หนึ่งเลยชื่อโอภาษ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 ใจจะกว้างยเางเาไปนะสบายมีความสุขละละโอ้ลล <c oughs> <c oughs> จิตม่ออกข้างนอกถ้าจิตถึงฐานปุ๊บหายปั๊บเลยนะงั้นเราต้องเรียนไวบ้างนะเรื่องวิปัสสนูเพราะว่าพวกเรามาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อมนได้สอนพวกเราหยุดแค่สมถะถ้าทำแค่สมถะจะไม่เจอวิปัสสนไปกิเลสจะเจอนิมิตนะนิมิตเป็นของหลอกลวงผู้ทำสมถะ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 ได้ยินเสียงข้างล้งมันรู้เสียงอะไรอ mm hmm. ม, มันก็อิสลามร้องอะไรก็นมันรู้นะ mm hmm. ฟังไม่ออกมันเป็นอะไร mm hmm. คุณอ่านกันเลยยินเช้านี่คุยกัน mm hmm. <laughs> แล้วเดี๋ยวแอมันเป็นเสียงอะไรที mm hmm. <laughs> แรกเนื่องจิตมันปงแต่งแองนะอพยายามฟังฟังมาเออมันเป็นคือเสียงอะไรแต่ฟังไม่ออกแล้วเดีไปดูหน้าต่างก็เงียบๆก็ไ mm hmm. <laughs> ม่มีอะไรอน้ำพ่อนี่คือเสียงอะไรคะเป็นนิมิตเสียง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 จิตมันกลัวผีรู้ว่ากลัวนะความกลัวหายไปจิตเป็นกลางแล้วย้อนออกไปดูอีกถ้า<ม>เจอก็แสดงว่าตัวจริง อ, อถ้าไม่มีแล้วก็แสดงว่าจิตเราปลุกขึ้นเองเ <c oughs> สียงก็เหมือนกันอถ้าเราย้อนกลับมารู้ทันจิตเรานั้วนะถ้าย้อนกลับออกไปแล้วถ้าเสียงปลอมเกาหายไป<อ>ถ้ามันมีเสียงจริงๆก็ได้ยินแล้วเลยเสียงนี่มันเลือดจะทํางานถึงจะหายได้ปัดเสดีลมพ่อกอบเสียงมันเลยโล โอนชนะเนาะต <laughs> อนีสก็ฟังแต่ซีดีเสียงหายไปเลยไม่ไม่ได้ยินเลย <laughs> ถ้าเราสนใจทําอะไรสักอย่างนะเราจะลืมอืนอ่นไป อ, อย่าง<ช>เราอ่านหนังสือนะคนมาเรียกเราเราไม่ได้ยินเลยเพราะเราสนใจอ่านหนังสือเราฟังซีดีหลวงพ่อเราไม่ได้สนใจฟังเสียงแปลกๆเราก็ไม่ได้ยินมันแลวจิตมันรู้อารมณ์ชัดได้อันเดียว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 อ <N> นุโมทนาค่ะโยมอย่ายคิดเดยอะนะการนมัสการค่ะโยมส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะเ อ, อว่ามามปฏิบัติดูกายค่ะออแต่หนูจะบังคับอะค่ะอยากให้หลวงพ่อชี้แนะด้วยก็ <c oughs> <c oughs> อย่าไปบังคับสิ่ชี้แล้ะอย่าไปบังคับดูกายเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ดูเอาดีเอาวิเศษอะไรหรอกนะหนู <c oughs> หนูลืมเพระาะว่าดูดีกว่า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 6เดือนส่งการบ้านหนึ่งครั้งดีดีส่งทุกวันไม่เดีวอวเจ้าค่ะจากที่เดิมเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่า4ปีที่ผ่านมาตามที่เองตั้งใจ7ปี7จเดือน7วันนะเจ้าค่ะ4ปีผ่านมาบอกว่าผ่าตัดสองครั้งคลอดลูกสองครั้งยังไม่เท่ากับเวทนาเพิ่งมาทราบเอาตอนนี้ว่าเดิมเองไปเล่นกับมันนะบนริโภทรมานสุดๆใช่ให้สักวารู้ว่าเห็นไป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 เป็นกระดูกเดินขยโยกขยเยกเราอยู่ในถุงหนังเดินขยโยกขยเยกเดินไปไหนก็เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะค่ ะ, คะก็เลยมันก็มันรู้สึกผอืดผะอมเลค่ะไม่อยากกินก็ไม่อยากกินนอนก็ไม่ให้รู้ทันๆๆที่จิตนะจิตไม่เป็นกลางแล้วแต่ถามจิตจิตมีความสุขค่ะหลวงพ่อจิตมีความสุขสงบแล้วก็คือการภาวนาที่ถูกเนี่ยนะเราจะไม่รักเราจะไม่เกลียดอย่างนี้ยังเกลียดกายได้ให้รู้ทันว่ารู้สึกกายหน้ารังเกียจให้รู้ทันตัวนี้ลงไป ว่าใจเนี่ยพอเกลียดกายมากไม่ดเอาเข้าไปหาความสุขทางใจอย่างเดียวเดี๋ยวไปติดตรงนั้นอกเจ้าค่ะก็สุขสงบแต่อีกจิตหนึ่งกับว้าวุ่นแบบเหงาเศร้ากลัวมีอาการหลายอย่างแต่แต่ผ่านไปแล้วหมายถึง6เดือนที่ผ่านมานะเจ้าค่ะมีทั้งที่อยู่กูดเดิมแต่ทำไมมันกลัวมาเฉยๆไงเจ้าค่ะแล้วก็สะดุ้งเจ้าค่ะอันนี้ด้านถึงจิตนี่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 ให้เรารู้ทันจิตไปจิตมีความสุขให้รู้จิตมีความทุกข์ให้รู้จิตสงบให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้นะเจ้าจิตรอบจิตโกรธจิตหลงให้รู้รอย่างที่มันเป็นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยเจ้าแล้วปัญญามันเกิดถ้าปัญญาเกิดนะเราอย่าพ้นทุกข์ไปได้ตรงนั้นเราใช้การคิดเอาอันนั้นมันสําหรับเป็นปัญญาที่จะอยู่กับโลกเจ้าะว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอะไรเงี้ย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 มันเลยม่มั น, มนแต่นั่งรถนะจากบ้านนี้ไปบ้านโน้นบ้านโน้นไม่ได้พักสักบ้านมันควรจะมีบ้านสักหลังเดียวกลับ น, นมรสกการหลวงพ่อค่ะบ้านมาคือก็ทําในรูปแบบ <c oughs> ทุกวันนะคะเออเห็น<ต>โทรสัไหมละ่ะเห็นมากเลยเออนะจิตมีโทรสัก็รู้สินะแต่ทีนี้มันดูมากๆมันจะเกิดอาการมันเหนื่อยเนื่อยแล้วก็หน่ายตรงนี้แหละที่จะต้องพัก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 หลวงพ่อมอีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะก็ต้องซ้อมนะต้องไหวพราส่วนมนอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมารู้สบายๆนะ<ม>สวดมนไปใจฟุ้งซ่านก็รู้สวดมนไปเรื่อยใจสงบแล้วก็รู้อะไรเงี้ยไม่ได้หวังว่าจะเอาดีอะไรแค่ว่าคิดว่าเราสวดมนบูชาพระพุทธเจ้าหรือเรารู้ลมหายใจเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสูขเอาสงบอะไรเนี่ยมันจะสงบเอง